ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นีมาพบกับท่านผู้ฟังโดยมาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมะพรุทธเาสอนว่ายังไงก็ามาบอกมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างนั้นโดยข้อมูลต่างๆที่เอามาบอกมาพูดให้ฟังเนี่ยมันก็ตามความเข้าใจของข้าพเจ้าแต่โดยอัธยาศัโดยเป็ญชนะแตะมีหลักฐานาต่างๆที่เขา ระบุ ก, กันไว้ปรากฏกันมาแล้วมาบอกเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังฟั ง, ฟงเพื่อที่เมื่อฟังแล้วจะได้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นของดีท่านฟังเรามาทําเรามาจําเรามาปฏิบัติจะเป็นสิ่งที่จะเป็นมงคลในชีวิตของเราเราเริ่มแรกตั้งแต่เช้ า, าเช้ตื่นมาเนี่เราฟังธรรมะเลยเราพยายามที่จะใคร่ครวญเป็นมงคลแน่นอนเริ่มสิ่งแรกในชีวิตเริ่มสิ่งแรกของวันก็เอาธรรมะก็อเอาสิ่งดีๆเข้าไปในใจ แต่วันนั้นก็จะเป็นวันที่เป็นมงคลการเดินทางไปไหนการทําสิ่งใดเริ่มทํางานวันแรกในสัปดาห์แล้ก็เป็นวันที่ดีเป็นวันที่แจ่มใสเป็นวันที่สามารถที่จะแก้ไขการงานต่างๆได้และถ้าจิตใจเรามีสติอยู่ไปไหนเนี่ยก็เป็นที่ที่เที่ยวไปพระเจ้าเคยตรัสไปงี้ด้วยมั่ววังแลาวบอกว่าเวลาไปไหนเนี่ยให้ไปในที่ที่เป็นที่เที่ยวแห่งบิดาของตน ที่เทียบแห่งบิดาของตนก็คือพ่อเราเนี่ยไปทางไหนเราอย่าออกนอกทางทางที่พ่อพาดําเนินมาแต่พ่อในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นบิดาทางธรรมคือท่านผู้ฟังก็คงจะมีพ่อกันทุกคนนะคือพ่อที่อยู่ในวัดตากชาตินี้ก็มีพ่อคนนี้ชาติที่แล้วก็มีพ่ออีกคนหนึ่งชาติก่อนก่อนก็เป็นคนละพ่อคนละพ่อไปแต่อันนี้ก็เรียกว่าชาติในวัดตะแล้วก็จะมีได้ไม่จบไม่สิ้นเอาดินก้อนนึงมาปั้นเป็นพ่อ สมมติว่านี่พ่อในชาตินี้เอาดินปั้นมาอีกก้อนนึงเดี๋ยวอันนี้เป็นพ่อชาติที่แล้วเอาดินปั้นมาอีกก้อนนึงเป็นพ่อชาตินุษย์เดวก็นับไปหนักจนกระทั่งดินหมดดินจนหมดพื้นแผ่นดินน่ยดินมันไม่เป็นดินเนี่ยทังว่แต่พ่อของพ่อของพ่อและของพ่อของพ่อของพ่อนั้นเดีวก็ยังไม่หมดคนนี้คือพ่อในมัตะแต่พ่อในวิวัตตานีคือวิวัตตานี่ก็คือการที่ไม่ต้องมาวนเวียนแต่พ่อที่จะให้กําเนิดชีวิตของเราใหม่ กำหนินชีวิตใหม่ที่จะต้องไม่ต้องมาบนเวียนอันนั้นคือสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเกเรียวบิดาในวิวัตตนะซึ่งทุกคนก็จะมีเหมือนกันหมดมีองเดียวนะะั่นแหะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมนะเข้าสู่ความที่ไม่ต้องมาหมุนไม่ต้องมาวนไม่ต้องมาหมุนนะการที่ต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายหมุนบนขึ้นขึ้นลงๆไปซ้ายมาขวาขึ้นหน้าลงหลังเนี่ยอันนี้คือการวนไปวนมาการที่ไม่ต้องไปวนนั่นะก็คือไม่ต้องมีวัตตะก็เรียก ว, ว่าเป็นวิวัตตะ บุคคลที่จะให้กำเนิดชีวิตเราตรงนี้ได้เราก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมะแต่ธรรมะเป็นเส้นทางที่จะพาเราดําเนินไปในทางนั้นบุคคลที่ให้ความรู้ตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นบิดาของเราแต่ท่านเดินไปทางไหนเราไปตามทางนั้นแต่จะออกไปสู่ที่ตรงนั้นได้อย่าเดินออกนอกทางเพราะาถ้าเดินออกนอกทางมันเป็นเขาวงกฎธรรฟังสมัยปัจจุบันเนี่ยกลโกงอะไรต่างๆมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนลึกลับสับสน บางทีเราไปตรงนี้อา้าวทำไมโปรามาตรงนั้นเขาทำอย่างนี้กลับได้อีกอย่างหนึ่งเอะทำชั่วน่าจะได้ชั่วกลับได้ดีเออทำดีน่าจะได้ดีกลับได้ดีนิดเดียวมันก็งงๆไปละมึนๆไปาทางวงกดเขาวงกดทางเรียกว่าเป็นปริศนาแต่เดินไปทางไหนมันจะงงๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินไปไม่ถูกทางเดิหลงทางได้เสร็จเลยเดิเสร็จมานมานก็จะได้ช่องทำลายหลางเวลามันทำลายร่างมันก็จะทําให้เราตอ น, น, นแรกๆมันก็จะกับดักมาก่อนอนะ แต่ลักษณะของกับดักก็คือให้มีสุกหน่อยแต่เหมือนกับดักหนูหรือว่าอาหารที่เขาล่อปลาแต่ก็อาหารไม่ได้มากอะไรเศษอาหารมันล่อไว้กินกัฟเท่านั้นละ่ะเศษเลยเนี่ยติดกับดักอาจต้องเสียถึงชีวิตเช่นเดียวกันกก็จะเอากับดักอะไรนิดนหน่อยผลประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้มาล่อไปแต่ว่าทุกแสนสาหัสที่จะตามมาเราก็อย่าไปเป็นตกเป็นเหยื่อขอ ง, ของมนันแต่ให้เดินไปตามทางก็จะปลอดภัยแต่ตามทางนี้ที่นี้ เรเจ้าได้พูดถึงเรื่องของสติปัฏฐาน4สตินี่แหละท่านผู้ฟังเป็นที่ระยว่า ท, ที่เที่ยวไปของบิดาของเรานั่นบิดาในวิบัติตร์บิดาในทางที่จะนําออกจากความทุกข์แต่ว่าเวลาที่เราจะดําเนินสติให้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราแต่ตื่นช้ามาจะไปทํางานหรือว่าจะไปต่างจังหวัดหรือจะไปต่างประเทศหรือจะไปที่ไหนก็แล้วแต่แล้วท่ายังไงถึงจะไปด้วยจิตที่มีสติได้ไปด้วยความมีสติถือว่าไม่หลง อาจจะแบบจำทางไม่ได้อาจจะไม่รู้ว่าบ้านเลขที่นี้อยู่ที่ไหนอำเภอหนี้อยู่ที่ไหนแต่ถ้ามีสติไปด้วยอยู่ในใจใจของเราตรงนั้นน่ยไม่หลงทางบางทีการเดินทางไปกับที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยอาจจะไม่ชํานาญเส้นทางหลงไปบ้านนู้นไปตําบล น, นี้บ้างแต่ถ้าติตใจ ง, งเรามีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าจิตของเรานั้นไม่หลงทางจิตของเราได้รับการรักษาแต่คนที่จะมีสติอยู่นี้อาศัยอะไรเป็นเหตุได้พระเจ้าได้พูดถึงเรื่องของกายทั้งฝั่ง คือการใช้กายเป็นฐานที่จัดตั้งให้สติเกิดขึ้นเรียกว่ากายยาขตาสตินักายคตาสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ครับพเจ้าคิดว่าสามารถมาทําได้ในทุกๆวันนะตั้งแต่ตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําเรามีกายของเราไปตลอดหนักายของเราก็อยู่ที่นี่ใจของเราก็อยู่ที่นี่มีกายมีใจเอ๊ะเอาใจมาตั้งอยู่ใ น, ในกายอันนั้นจะเกิดสติได้ขึ้นดันดีซึ่งในเรื่องของกายคต า, าสติเนี่ยพระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ถึง14อย่างนะบัง รายละเอียดที่เราจะมาทําความเข้าใจกันในวันนี้ว่าการที่ตั้งสติไว้ในกายเนี่ยมีความหมายอย่างไรและมันแตกต่างกันอย่างไรก็อาจจะพูดถึงอสุภะด้วยอาจจะพูดถึงกายคตาสติด้ว ย, วยแต่ได้อย่างมีความหมายอย่างไรแล้วเราสามารถที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรดังนั้นแต่แบบรกเรื่องของ เ, อเข้าใจเรื่องของคําศัพท์นิดหนึ่งคำว่ามัตสติเนี่ยแปลว่าการเรืองได้คําว่ากายคตาสติก็คือการที่เราตั้งสติเอาไว้ เรู้สึกถึงกายของเราได้กายของเราเนี่ยต้องฟังคิดดูตั้งแต่ผมจนกระทั่งมาถึงปลายเท้าเนี่ยมันใหญ่เหมือนกันนะบางคนหนักเป็น100ยกิโลอ่ะบางคนชนะแค่สามสิบสี่สิบโลนะไม่ได้หนักอะไรมากแต่ว่ามันก็ต้องมีมวลมีเนื้อมีหนังนะให้จับต้องได้ไอาการที่มันมีมวลมีเนื้อมีหนังจับต้องได้นี่แหละเออเราเอาสติก็เราฝากไว้ตรงนี้ได้แนะรายละเอียดมันจึงมีเยอะตรงนี้เติมฟังนะเริ่มตั้งแต่อะไรล่ะ นะคุณจะทรงกายนี้ไว้ได้เอาก็ต้องมีลมหายใจแน่นอนอันนี้ข้อที่1เลยแตนะการที่เราหายใจเข้าหายใจออกการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจของเราอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นกายคัตาสติอย่างหนึ่งเพราะว่าในการของเราเนี่ยมันมีธาตุลมอยูนะ่อย่างเช่นเวลาที่เราเลอออกมาเวลาที่เราพายลมหรือเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆก็ต้องการออกซิเจนจากลมหายใจนี่แหละ ไปทําการเผาพลั้นอาหารให้ร่างกายดําเนินสามารถที่จะเปลี่ยนแปลธาตุออกมาเป็นกําลังอะไรต่างๆได้อันนี้ต้องมีอากาศแน่นอนในระบบเลือดของเราก็มีเซลล์ที่เรียกว่าเป็นเม็ดเลือดแดงซึ่งเขาก็จะแบกเอาออกซิเจนเนี่นนยทีละหน่วยทีละมวลไปไปตามอาวัยวะต่างๆของร่างกายเพราะงั้นการที่เรามาเลือกถึงลมหายใจการที่เราตั้งจิตของเร า, เาไว้กับลมหายใจอันนี้จึงเป็นกายาขตาสติอย่างหนึ่งอันนี้คืออย่างที่1แล้วนะ อย่างที่สองร่างกายของเรามีอะไรบ้างในอิริยบทต่างๆอันนี้ก็เป็นเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างจากิริยบทหยับหยา บ, ยาบการเดินการวิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ถ้าเรามีสติอยู่รู้ตัวทั่วบร้อมในการทํากิริยาหรือว่าอิริยบทนั้นๆแต่คืออย่างสมมุติเราวิ่งเราเดินมันมีการยืดแขนยืดขามีการเคลื่อนไหวใช้กล้ามเนื้อใช้พลังแต่ซึ่งถ้าเราจะไปกําหนดวัดตรงจุดนี้ นะั่นคือคุณเอาจิตไว้จุดนี้มันจะไม่ได้นะั่เพราะว่ามันมีกิจกรรมมากเราก็เอาโดยวรวมสักจุดใดจุดหนึ่งคือตั้งจิตเอาไว้ในเอเรียบทโดยวรวมการที่โดยเห็นโดยวรวมนโดยเอเรียบ ท, ทั้งหมดตรงนีงเน้เราจิงเราตั้งไว้ตรงนั้นก็ได้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตั้งสติไว้ในกายอาจจะเป็นเอเรียบทวิง่งหรือว่าเดินหรือว่ายืนหรือว่านั่งหรือว่านอนก็ได้ทั้งนั้นความแตกต่างตัวนี้หนึ่งท่านฝั ง, งอย่างคนที่นั่งนั่งอยู่นะนั่งแล้วก็มีสติอยู่ในเอเรียบท กับคนที่นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจแล้วมันจะต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งว่าคนที่มาตั้งสติไว้ในลมหายใจเนี่ยเขาก็จะต้องไปเห็นตรงลมหายใจนั้นแต่ cuss. จุดเขาจะเห็นยังไงละ่ะเขาอาจจะเห็นที่จุดสัมผัสของลมหายใจหรือว่าอาจจะเห็นจากการที่ลมหายใจมากระทบหรือว่าการที่ไปรับรู้ถึงลมหายใจนะจุดใดจุดหนึ่งอันนี้คือการที่เราเห็นลมหายใจนะแต่การที่เรามาตั้งสติไว้ในอิริบทคือการนั่งก็คือเราดูองค์รวมของการที่เรานั่งอยู่ เราจริตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็จะต่างกันนั่นก็คือการที่เอาจิตไปจ่อไว้ที่ใดที่หนึ่งนั้นมันจะต่างกันอย่างเราจะรับรู้ถึงว่าการเดินของเรามันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวเอาการเคลื่อนไหวนี้มีกล้ามเนื้อตรงนั้นกล้ามเนื้อตรงนี้เคลื่อนไหวเ อ, เอารวมสักที่หนึ่งในการกําหนดจิตโดยรวมทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้จี้ไปจุดใดจุดหนึ่งนะแต่โดยรวมๆนะั้นดึงออกมานะห่างออกมาหน่อยนะไม่ได้เฉพาะจ่อจงลงไปในรายละเอียดแต่ถ้าเป็นลมหายใจแต่ก็คือจี้เข้าไปตรงจุดนั้น จุดที่รับรู้ถึงลหมหายใจการนั่งเราก็จะดูโดยรวมโดยท่านั่งไม่ได้จะจี้เฉพาะจอดจงไปในจุดใดจุดหนึ่งเราไม่จะต่างกันตรงนี้อันนี้คือข้อที่2เรื่องของการตั้งสติไว้ในกายข้อแรกคือลหมหายใจข้อ2คือเรื่องของอรีบทเดินยืนนั่งนอนส่วนข้อที่3นั่นก็คือการมีสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วรอมไม่ว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าต้อยกลับไปข้างหลังและดูเลี้ยวดู จะเป็นผู้รู้ตัวทั่วพร้อมในการกินดื่มพูดคิดรู้ตัวทั่วพร้อมในการไปห้องน้ำถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะรู้ตัวทั่วพร้อมในอิริบ ท, ท่างๆด้วยเหมือนกันคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเรา่ังหมายถึงว่าเรารู้ตัวเรามีสติะระลึกได้ถึงการกระทำงานตรงนั้นตรงนั้นแต่คือใจของเราอยู่กับตรงนี้ตรงนี้ถ้ากินอาหารอยู่หรือว่าดื่มอะไรอยู่ เราก็ให้ใจเนี่ยตั้งไว้ที่ตรงนี้ในการดื่มการกินตรงนั้นหรือว่าถ้าพูดเรามีการรู้ตัวในการที่เราพูดอยู่โดยที่ไม่ให้จิตของเรามันไปคิดเรื่ที่มันเป็นอกุศลและจริงๆคําว่าสติเนี่ยคือการระลึกได้คําว่าระลึกได้เนี่ยไม่ถึงจําได้นั่นเองคำว่าระลึกได้ก็คือหมายถึงถอนจิตออกจากที่หนึ่งให้มันอยู่ที่นี่แต่ถอนจิตออกมาจากที่ไหนที่เราพูดถึงนั้นการถอนจิตออกมาจากสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นเอง มันจะเป็นการป้องกันไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันตกไปอยู่ในดินแดนที่เป็นอกุศลเราสามารถที่จะปล่อยจิตของเราจากสิ่งที่เป็นอกุศลให้มาตั้งไว้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลได้การกระทำอย่างงี้ยชื่อว่าคุณมีสติสติที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณจะอาศัยอะไรละ่ะในที่นี้เรากำลังพูดถึงอาศัยกายของเราอาศัยตรงไหนเฉพาะเจาะจงลงไปหน่อยซิเรื่องของกายคุณจะอาศัยลมหายใจก็ได้ที่ว่ามาคุณจะอาศัยเรื่องริบด์ก็ได้ว่าเราก็ไม่ได้อยู่นิ่ง ถ้าอยู่นิ่งอาจจะเป็นการนั่งหรือการนอนมันก็จะมีท่าของมันการที่เราจิตไปตั้งไว้ในท่าตรงนั้นนะเน้นเรียกว่ามีสติตรงนั้นแล้วก็กิจกรรมอื่นๆด้วยล่ะการกินการดื่มการพูดการเคี้ยวการไปห้องน้ําพวกนี้แจะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวการดําเนินไปแล้วเราให้เอาจิตของเราเนี่ยไปตั้งอยู่ในการงานตรงนั้นตรงนั้นและนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธิรู้ตัวตั่วพร้อมอันนี้คือข้อที่3าม นั่นคือเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในการงานต่างๆส่วนข้อที่4ท่านหังากายของเรามันมีหลายอย่างนะกายของเรามันมีหลายอย่างและไม่ใช่แค่ท่าทางไม่ใช่แค่การทำงานไม่ใช่แค่ลมหายใจยังรวมถึงอวัยวะต่างๆด้วยไล่มาตั้งแต่สีสาะลงมามีอะไรผมแน่นอนเห็นละนคนก็มีเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกไตาหัวใจตับพังผืดพวกนี้คือสิ่งที่อยู่ในกายของเราทั้งหมด เนะอาอยว่ว่าต่างๆเหล่านีนะ้เราเห็นได้เราพิจารณาได้เอาใจของเรามาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนตรงเนี้คือพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นของไม่สวยงามนะพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นของไม่สะอาดสมมุติว่าคนที่สวยๆ ส, สักคนหนึ่งหลอ่ลอๆสักคนหนึ่งแหมผิว ง, งามๆเขาแต่งมาอย่างดีอย่างนี้นะแหมหล่อสวยนะมีผิวพรรณงามไม่ดําไม่ขาวเกินไปไม่สูงไม่เตี้ยเกินไปดูงาม ทีนี้ความงามตัวนี้ถ้าเราพิจารณาลึกเข้าไปอีกสักแค่1ม mm, มแค่1นมิลเมพอในที่เคาเห็นสวยๆงามๆเนี่ยจริงๆเขาฉาบทาไว้เฉยๆด้วยผิวเฉยๆใต้ผิวลงไปก็จะเป็นหนังใต้หนังลงไปก็จะเป็นเนื้อนนั้นเนื้อขึ้นมาก็จะเป็นหนังหนังแล้วอยู่บนหนังเนี่ยคือผิวที่เขาทําที่เขาดูให้มันดีเนี่ยคือแค่ตรงผิวเฉยๆแล้วเอาแค่ผิวออก น, นผิวก็ประมาณแค่1ม mm, ิลมตร้นลอกผิวออก เราก็จะเห็นแต่หนังหนังมันก็ไม่ได้สวยนะท่านผู้ฟังเอาลอกหนังออกด้วยก็จะเห็นแต่เนื้อแดงๆคนผิวดำก็จะแดงคนผิวขาวก็จะแดงแหละถ้าลอกถึงตรงนี้ความจริงมันจะปรากฏเมื่อเราดูลึกลงไปและเริ่มจากแค่หนึมิลลิเมตรผตรงนี้จึงจะเห็นว่าเป็นของที่ไม่สวยงามอย่างอื่นมีอีกไหมแหมผม่สวยสลวยเอาลงไปใส่ในชามกว๋วยเตี๋ยวดูโอ้โหมันจะกินไม่ได้เลยหรือว่าฟันแหมฟันขาวๆเอาล่ะต้มซุปฟันมากินดู ก็ลองต้มกระดูกหมูด้วแหละแต่แทนที่จะใส่กระดูกหมูใส่ฟันลงไปแล้วมันจะรู้ว่าเป็นของที่ไม่สวยงามเนี่เป็นของที่ไม่สะอาดและไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่ฟันยังรวมถึงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกพวกนี้ดับไตปอดหัวใจท้องผืดแต่พวกนี้เป็นของสกปรกทั้งสิน้นอาหารที่เราดูดีๆแม่มันน่ากินน่าอร่อยอกินก็ไปกินก็ไปกินก็ไปเสร็จปุ๊บพวกนี้ออกมาดูาเอาออกมาดู พวกนี้เดี๋ยวมันออกมาอีกทางหนึ่งกินเข้าไปจนมันออกมาอีกทางหนึ่งรอพุ่งนี้ดูโอ้มันสภาพเดิมมันไม่มีเหลือไอสีสันที่งดงามรายหายไปหมดแล้วแต่ก็จริงจริงมันเป็นอย่างนี้เป็นอาหารที่กินเข้าไปแดีวเป็นอุจจาระที่ออกมาแต่จะเห็นว่ามันมีสภาพที่ไม่สวยงามอันนี้ก็เรียกว่าเห็นกายอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวพระชาเปรียบเทียบไว้ตรงนี้ตามังมันก็ว่ามีถุงผ้าชนิดหนึ่งแต่ซึ่งถุงผ้านี้มีปากเปิดได้สองข้างแต่ในนั้นก็จะมี พวกธั ญ, ญพืชต่างๆถั่วเกี้ยวงาข้าวสาลีข้าวเปลือกต่างๆเนี่พอเราเปิดถุงผ้าออกเราก็จะเห็นว่าข้าวชนิดต่างๆเป็นอย่างนั้นอย่า ง, า ง, า ง, างนี้เช่นเดียวกันเวลาเราพิจารณากายในข้อที่4ที่เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามเราก็แยกแยะแต่คือในกรณีนี้คือให้แยกแยะให้เห็นว่ากายของเรามีส่วนอะไรประกอบอยู่บ้างมีผมขนเล็บฟันนังก็อย่างที่ว่าเหมือนกับข้าวที่อยู่ในถุงผ้าถ้าเราจะดูให้ดีกายของเรานี้ เหมืนมืนก็ถุงหนังจำลองกรนะถุงนี้มีโครงอยู่ข้างในก็คือกระดูกถูกชาบทาอยู่ด้วยเนื้อและเลือดเดีนะ๋ยเป็นหอ่อเป็นถุงเอาไว้เนดะี๋ยวแปลว่าถุงนี้คือหุ้มหอ่อใช่ไหมร่างกายของเราก็มีหนังเนี่ยเป็นตัวหุ้มหอ่อถุงหนังนีนะ้ก็มีปากทางเข้าอยู่รูออกก็มีอยู่2รูเดีนะ๋ยวทวารหนักทวารเบ า, า, เ, บาเดี๋ยวมันเปิดปิดของมันเองกนะถุงหนังนี้ก็เยิ้มอยู่ตลอดเวลาเ ย, ยิ้มด้วยเหงือ่อเยิ้มด้วยขี้ใครอยู่ตลอดเวลาแดีวนะใส่อะไรไป เดี๋ยวร้อนมันก็เยิมละเดี๋ยวเย็นมันก็แหงแ้งละเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีอะไรไหลออกมาเหม็นด้วยเป็นถุงหนังจริงๆร่างกายของเราแต่พิจารณาอย่างนี้ก็ได้เพราะเปิดถุงหนังดูโอ้โหข้างในนี่โยเซตับนั่นปอดนี่ก็เลือดนั่นก็น้ำเหลืองนั่นก็น้ำตาเดีวมันเป็นอย่างนี้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือลักษณะที่4ี่แต่ที่เราตั้งสติไว้ในกายอย่างนี้ก็ได้การที่เรามาระลึกถึงกายในลักษณะเนี้ยนะท่านฟังในการที่เราแยกแยะออก มานึกถึงกายเราในลักษณะนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ที่มีกายยาคตาสตินะนี่คือการพิจารณาสุภาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในกายยาคตาสตินั่นเองหรือในกรณีที่5เดี๋ยพระเจ้าก็ให้ระลึกถึงกายของเราในลักษณะที่ว่าเป็นธาตุสีก็ได้ธาตุสี่ธาตุาดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมก็มีอยู่ในกายเดี๋ยวเมื่อสกรุลพูดถึงถาการเป็นของไม่สวยงามก็พวกอวิบวตต่างๆน้ําเหลืองน้ําเลือดพวกนี้ เห็นเป็นอวัยวะอะไรพวกนั้นแต่ความเป็นาธาตุนั้นนั่นก็คือลักษณะของที่เป็นเข่นแข็งทั้งหมดอารวมกันเป็นาธาตุดินลักษณะของที่มันเอ่ออาพเพียงชุม่มอ่ารวมกันเป็นาธาตุน้ําลักษณะอะไรที่มันมีความร้อนและมีการเผาผลาญ น, นั่นก็รวมเป็นาธาตุไฟลักษณะอะไรที่มันพัดไปพัดมานั่นก็เป็นาธาตุลมแตในกายเราก็จะมีอย่างนี้มีาธาตุสีดินน้ําไฟลมประกอบกันอยู่นี่ก็คืออย่างที่ห้าในเรื่องของกายอย่างขัาตาสติในอย่างถัดมา อย่าต่อมากก็คือวิจารณาถึงคนที่ตายไปแล้วพระเจ้าพูดถึงกรณีของซากศพแต่ถ้าเราไปดูตามโรงพยาบาลหรือว่าตามหลุมฝังศพเนี่ยก็จะมีคนที่เพิ่งตายใหม่ๆแต่าตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างพวกนี้ว่าจะมีลักษณะเหมือนกับเขียวขึ้นอืดขึ้นพองหระมีหน้องไหลซึ่งการที่เห็นตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเห็นน้อมเข้ามาสู่ตัวเราเองว่าแม้ตัวเองก็จะต้องเป็นอย่างนี้หรนะไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ถามว่าตรงนี้เป็นการมองโลกในแง้ร้ายหรือไม่ แต่ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีๆนะคือเราไม่ได้แช่งว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันต้องเป็นอย่างนี้แต่เรายอมรับสถานการณ์ว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่จะต่างกับการมองโลกในแง่ร้ายเพราะการมองโลกในแง่ร้ายนั้นคือแช่งตัวเองแต่แช่งตัวเองแล้วก็กระฟัดกระเฟียดไม่พอใจแต่ไม่ได้ทําอะไรกับมันไม่ได้แก้สถานการณ์แต่การที่เราพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงแล้วคิดดูให้ดีว่าเออตัวเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ทางอ้อมอยู่ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะคลายกําหนัดในสิ่งนั้น ทางออกอยู่ที่ว่าเรามีสติยังไม่ได้โกรธเกลียกฟัดกระเฟียดทางออกอยู่ที่ว่าเราไม่ได้แช่งตัวเองแต่เรารู้รอบรู้สถานการณ์ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแต่เรารอบรู้สถานการณ์แล้วไม่ได้ไปเกลือกลัวเป็นลักษณะที่ว่าลุ่มลงเนื้อ ย, ยึดถือโมเมาถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็เกลือกลัวในลักษณะที่เป็นความโกรธเกลียดไม่พอใจแต่ถ้าเรามีสติตั้งเอาไว้เห็นตามจริงเออใช่กายของเรามันจะต้องเป็นย่างนี้เนะื้อไม่ลงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ นี่คือการยอมรับความจริงแล้วเราตั้งสติของเราให้ดีไม่ไม่ให้มันอยู่ไปในอกุศลธรรมอันนี้เป็นทางออกอันนี้เป็นทางออกของปัญหาที่ทําอย่างไรตเตรียมรับมือก่อนแต่พอเวลานั้นมาถึงจริงๆเนี่ยใจของเรามันจะไม่ไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลใจของเราจะตั้งอยู่ในกุศลได้เรื่องของซากศพตรงนี้ท่านฟังที่พูดถึงว่าตายแล้ววันหนึ่งสองวันบ้างเนี่ยขึ้นเอืินเกี่ยวพองอันนี้คือเป็นลักษณะที่เราต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวอันที่1อันที่2ถ้าบอกว่า นานไปหน่อย 3- 4วันหรือเกือบถึง7วันเนี่ยมันจะเริ่มมีหนอนมาเจาะแต่มีแมงมากินอต่ถ้าไว้ตามป่าช้า จ, จริงๆก็จะมีพวกสัตว์ป่าอาจจะเป็นชุนักจิ้งจอกหรือว่าตัวอะไรที่มันมาจะมากินพวกซากศพพวกนี้กินของเน่าของเสียมันก็จะมากินและมีหนอนบอลชัยกินอยู่อันนี้คือข้อที่2องแต่ว่าน้อามคำว่าตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่การแช่งแต่เป็นการที่จะเห็นความจริงอย่าตั้งจิตให้ดีไม่ให้ไปอยู่ในอกุศล แล้วข้อที่สก็พิจารณาเห็นร่างกายนี้แต่พอมันถูกนอนชัยไปถูกอะไรกินไปเนื้อมันก็หมดเหลือแต่เลือดอยู่เนื้อไม่มีแล้วเป็นร่างกระดูกมีเลือดเปื้อนอยู่มีเอ็นเรืองรัดพอกินไปเรื่อยเวลา น, านานผ่านไปเนี่ยเจวัน10วันเนื้อก็หมดละกรณีที่3นั้นคือมีเนื้ออยู่เนื้ อ, อยังไม่หมดแต่ว่าเนื้อมันหายไปเยอะแล้วทําให้มันไม่ได้ทรงความเป็นรูปร่างของคนอยู่มันเป็นร่างกระดูก แต่ถ้าจะดูมันก็จะพิจารณาไม่รู้หรือว่านี่เป็นเป็นศพใครเป็นซากใครเพราะว่าเนื้อส่วนใหญ่มันหายไปแต่เป็นร่างกระดูกมีเนื้ออยู่แต่กระทั่งมาเนื้อก็หมดไปด้วยเหลือแต่เลือดเพื่อนอยู่มีเอ็นเริงรัดแต่ปล่อยนานวันเข้าไปอีกไอ้คราบเลือดนั้นก็หายไปและไม่มีเนื้อไม่มีเลือดเป็นร่างกระดูกมีเอ็นเริงรัดอยู่ไว้นานวันนานวันเอ็นเนี่ยมันก็เปื่อยได้ท่านผังก็ยังมาขายได้ให้เรากินได้แล้วกันดูสิ เอนคนนี่ยก็พอๆกันละไว้นานๆตากแดดตากลมเดี๋ยวมันก็เปื่อยได้เปื่อยได้ที่มันรัดกระดูกเอาไว้มันก็แยกกันเป็นจริงๆกระดูกนี่ไปทางกระดูกนั่นไปทางถ้าเอนมันขาดหมดเนี่ยกระดูกต่างๆก็ไปคนละทิศละทางอย่งกระดูกตอนแรกๆมันก็ยังจะขาวอยู่แต่เพราะว่ามันมีสารมีอะไรพวกแคลเซียมเดี๋ยมันก็จะเป็นลักษณะของมันมีความขาวมีความแข็งพวกนี้แต่ถ้าไว้นานไปเป็นหลายๆปี มันก็จะเป็นสีเหลืองไปนานกว่านั้นอีกมันก็จะผุเปื่อยเป็นผงความที่องค์ประกอบมันตั้งอยู่ไม่ได้แล้วมันก็จะเปิดยเป็นผงออกแต่ตรงนี้ก็น้อมเข้ามาสู่ตัวว่าเราก็ต้องเป็นอย่างนี้กันพอเป็นผงแล้วมันก็ไปกระดินแล้วทีนี้เขาฝังไว้ดินเนี่ยเป็นหลายๆปี10ปี20ปีเนื้อกระดูกบางชิ้นมันก็สลายไปกระดินเหลือแต่ที่มันชิ้นใหญ่ๆอาจจะพอรู้ดูว่าอันนี้เป็นกระดูกชิ้นไหนชิ้นไหนมันก็จะเป็นสีเหลืองเปื่อยไปก็มี อันนี้คือการที่เราพิจารณาซากศพในข้อที่6ที่แยกออกเป็น9ข้อตรงนี้เริ่มมาตั้งแต่ซากศพที่เพิ่งตายวันหนึ่งสอวันจนกระทั่งไม่เหลือซากละเป็นกระดูกที่เปื่อยเป็นผงเน่ทั้งหมด9ข้อนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ตัวน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าแม้เราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ร่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เห็นแล้วให้มีความคลายกำนังให้มีความที่เราจะจิตเราอย่าไปตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศล จิตเราที่เห็นอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นจิตที่ทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมได้อาจจะมีความหน่ายอาจจะมีความสลดสังเวชอาจจะเกิดขึ้นได้บางทีเราไปดูศพคนที่เรารักอย่างเงี้ยมีความสลดสังเวชเกิดขึ้นแตนะ่ตรงนี้แหละคือสติเวลาเกิดความสลดสังเวชเกิดขึ้นเดีนะ๋ยวมันจะมีทางแยกไปนะคือบางคนก็แยกไปเศร้าโศกเสียใจเริ่มให้คร่ําครวญอันนี้ทางแยกที่1แต่ทางแยกที่2พอรู้สึกสลดสังเวชใจแล้วก็หาทางออกว่าโอ้ใครน่าจะ เอาความทุกนี้ออกได้สัก1 ห, หรือ2วิธีเดี๋ยวซึ่งพระเจ้ามีทางออกตจำฝังเด่๋คือเรื่องของการที่เราตั้งสติไว้ในกายแต่ต้อง6ก น, นัยยะนี้ถ้านับในรายละเอียดก็เป็น14อย่างเดี๋เริ่มมาตั้งแต่การที่ลหมหายใจนี่เป็นกายอย่างหนึ่งอันที่บทซนี่ก็เป็นอย่างที่2องเดี๋ยสัมปชัญญะในเรื่องของกิจกรรมต่างๆรู้ตัวทั่วบร้อมในการกินการดื่มอันนี้ก็เป็นข้อที่3แมเเห็นความเป็นของไม่สวยงามในผมขนเล็บฟันหนังอันนี้ก็เป็นข้อที่4 โดยความเป็นท่าสีก็ได้เห็นกายอย่างนี้นี่ก็เป็นข้อที่5หรือว่าเราจะพิจารณาเห็นกายโดยความเป็นซากศพขึ้นอืดบ้านหนึ่งสวันอันนี้เป็นข้อที่6เห็นซากศพว่ามีอะไรเจาะมีหนอนเจาะกินมีอะไรกัดกินอยู่อันนี้ก็เป็นข้อที่7จ็เป็นร่างกระดูกแล้วเนื้อส่วนใหญ่หมดไปแต่ยังมีเนื้อเลือดและวก็เอ็นติดอยู่อันนี้ก็เป็นข้อที่8ปดเนื้อถูกกินหมดเหลือแต่เลือดแล้วก็เอ็นอันนี้ข้อที่9เป็นร่างกระดูกหมดเนื้อหมดเลือด แต่มีเอ็นรึงรัดอยู่อันนี้ก็ที่สิข้อที่สิบเอ็ดก็คือว่าเนือเ้อก็หมดเลือดก็หมดเอ็นก็หมดกระดูกกระจายกันไปข้อที่สิบสองก็คือเหลือแต่กระดูกละเป็นชิ้นสีขาวหนังสีสังข้อที่13ก็คือเป็นกระดูกที่เริ่มเป็นสีเหลืองละอยู่เป็นหลายๆปีและสุดท้ายข้อที่14คือกระดูกนั้นเปืยเป็นปงละเอียดทั้งอย่างนี้ต้องระฟังคือการที่ให้เราตั้งสติไว้ในกายอันนี้คือถ้าบอกว่าคุณพิจารณาเห็นกายในกาย แต่ตรงนี้ได้เลยอันใดอันหนึ่งก็ได้จะเห็นกายของตัวเราเองก็ได้เห็นศพจริงๆก็ได้พิจารณาเห็นกายคนอื่นก็ได้กายภายในคือตัวของเรากายภายนอกคือตัวคนอื่นได้ทั้งสิน้นเห็นและให้มันเห็นจริงอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการตั้งสติอยู่ในกายผู้ที่เป็นอย่างนี้ทั้งฟังเรียกว่าเป็นผู้ที่เดินตามหอยู่ในเส้นทางที่พุรุเจ้าของเราอยู่แต่คนที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยสบายใจได้ไม่หลงทางจะเป็นเส้นทางที่จะนําไปสู่ความสุขอันเกษมะความสุขที่เย็นสนิทนั่นเอง นั่นิพพานนิพพานนี่คือสุดสุดยอดแล้วนะท่านฟังสุดจบตรงนี้แต่แต่ก่อนที่ไปถึงตรงนั้นแต่บางคนอาจจะยังไม่ได้หวังนิพพานถึงขนาดนั้ น, น, นเอาแค่ว่าง่ายๆในชีวิตประจําวันของเรา้จะมีประโยชน์อะไรแต่คือในขณะที่เรารักษาสติรักษาจิตของเราให้อยู่ในกายเนี่ยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดแล้วก็ยิ่งเจริญขึ้นเรารักษาสติให้อยู่ในกายได้แต่แม้กายก็สงบแม้จิต ก, ก็สงบ แม้วิตก ว, วิจารก็สงบความที่วิตก ว, วิจารณ์สงบเนี่มันจะทําให้เราคิดอ่านการงานต่างๆได้ดีมากขึ้นแต่เป็นส่วนที่ทําให้วิชาคือความรู้ตามที่เป็นจริงนั้นเจริญได้มากขึ้นคุณศรธรรมต่างๆก็รับไปได้คุณศ ร, รธรรมก็เกิดขึ้นพระเจ้าอีกได้ตราตถึงเรื่องปัญญาต่าง ๆ, ๆก็จะมีมากแต่เช่นเป็นไปเมื่อให้ได้ปัญญาเพื่อความเจริญแห่งปัญญาภัยบุญแห่งปัญญามีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนาแน่น ซึ่งปัญญาในที่นี้คือปัญญาในระดับเหนือโลกนะปัญญาในระดับที่จะทจําจิตใจของเราให้มันพ้นพ้นจากความที่โลกมันจะมาข้องมาเกาะมาข้องแบะในใจของเราเพราะฉะนั้นในขณะที่เราตั้งสติไว้ในกายอันนี้ส่งนี่มีมากจริงๆ่ไล่มาตั้งแต่เรื่องที่จทาจิตของเราให้มีความสงบเย็นเย็นจนถึงที่สุดนั่นคือ น, นิพพานก็ได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบณญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไนโศ มาพูดถึงเรื่องของกายคตาสติ14อย่างในบุฟังได้ทราบว่าราเรียมันมีมากเราจะเอาสักอันใดนหนึ่งก็ได้ในที่สามารถที่จะทําในวันปกติที่เราทํางานอยู่เราทํากิจการงานใดๆอยู่หรือ ถ, ถ, ถึงกายของเราในลักษณะ น, นี้ปลอดภัยแน่นอนในบุฟังใจของเราจะได้รับการรักษาจากสติที่ตั้งขึ้น่นเองชลินบร